นิมไม่ไปเรียนมาต้องสองวันที่สองไม่เห็นถามอะไรบ้างไหนลูกมามาอยากถามอะไรบ้างมาปู่าติพ่อแม่ปู่ยาตา ย, ยายลูกป้าหน้า อ, อยากฟังบ้างหรกืกฟังว่านิมนิมฐันธรรมะ ถามกันมากขั้นสูงสุดอะไรบ้างดูสิอา้าวเนี่ยอลูกสาวคนเก่งเนี่ยคนเกง่งริมลูกสาวเขาลู ส, สาวของคนเกง่ง10ขวบอ้าววันนี้คุยธรรมะไอ่พ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ยายลุบ้าหนะ้าตาฟังไปไงมั้งได้ยังไงมั้งลูก ไม่รู้จะพูดอะไรดีค่ะผละทุกอย่างผลผลความยึดบ้านถือบ้านเนีง่งน่าจะค่ะน่าจะพ้ยังใกล้เคียงอยู่ยังไม่พลนใกล้เคียงเอ็ใดใกล้เคียงมหมที่ยังยังไม่พ้นก็คือว่าเอเอตรงนี้มันมันมันคัดละเอียดมากเลยคันสูงสุดน่จะพูดแล้วนิ่จะเข้าใจหมหนู้ต้องลองพูดก่อนเนาะ เข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าใกล้เคียงมากแล้วใกล้เคียงความปนทุกข์มากเลยใกล้เคียงความยึดมั่นถือผนจากความยึดมั่นถือมั่นมากเลยคือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดแล้วแต่มันกลายเป็นว่าเอาตัวเราเนี่ยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด ต, ตัวเราเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด มาให้เป็นทุกข์มาเป็นกิเลสแล้วเป็นความทุกข์นิมก็ไม่เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดให้เป็นกิเลสและความทุกข์แต่นิมเนี่ยกลายเป็นว่าเอาตัวเราเนี่ยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดนิมต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราด้วยได้ไหมไหนี่เข้าใจไหมลูกอะไรคือไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราเหรอคะไม่มีตัวเราแต่นิมยังมีความรู้สึกว่ามีตัวเรา เพราะว่าไอตัวเราเนี่ยที่นิมนางพนมมือต่อหน้าลงตาเนี่ยมันจะต้องตายแตกดับไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเราชั่วคราวเราต้องรู้สึกว่ามันเป็นตัวสมมติเรียกตัวชั่วคราวคือตัวสมมุติมันเป็นตัวที่เป็นอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันต้องตายแตกดับหมดมันไม่ไม่ใช่เป็นตัวเราจริงๆ แต่หนูมีความรู้สึกว่ามตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราจริงๆเป็นตัวเป็นตนตัวเราไม่ได้ยึดบ้านถือม้านอะไรไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวสมมติแต่ตัวนี้เป็นตัวเราจริงๆจะเข้าใจได้ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจยังไงก็คืออันนี้คือตัวชั่วขาวที่หนูนั่งพนมมืออยู่ค่ะอืเป็นตัวสมมติค่ะอันนี้ก็ละเอียดลึกกว่าอีว่าตัวร่างกายที่เป็นกายเนื้อนั้น นิมพูดเวลานิมพูดอะไรนี่เวลานิมพูดอะไรนี่ น, มนิมพูดออกมาจากใจจริงจริเพราเวลาเวลาเขาบอกว่ามันอะไรเวลาเขาพูดอะไรแต่ละครั้งไม่ยึดก็คื อ, คอไม่ยึดแล้วร่างกายร่างกายมันก็เป็นของสมุดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ตายแตกตับอันนี้ก็เขาพูดเวลาพูดเวลาเขาเขาพูดแต่ละครั้งเนี่ยมันพูดออกมาจากใจแต่ละครั้งมันมีสภาวะทํารองรับที่ยิ่งใหญ่บ้างปุ๊บเลยอ่ะทีนี้ นิมเห็แล้วว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของยึดมันมนยึดถือไม่ได้เพราะว่ามันแก่ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เจ็บมันก็ต้องตายเราก็เห็นมาเยอะเนาะนี่ต้องแก่เจ็บตายเดี๋ยวมับคนนี้ตายคนนี้ตายเนีมม่ยอา마อา마ใช่ไหมเรียกอา마ใช่ไหมอา ม, มาก็แก่นอนที่เตียงเห็นไหมเนียเดี๋ยวสุขก็ต้องเป็นยังไงหรอกเป็นตัวสมมติชั่วคราวนิมก็นิ่งเข้าใจละลีกนิดหนึ่งหรอกแต่วันนมา อ, อยนิมก็เข้าใจแล้วว่า ตัวร่างกายเนี่ยยึดไม่ได้มันไป็ขอชั่วคราวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่นิมยังไม่เห็นอีกอันอกคือไอ้ตัวผู้คิดอยู่เนี่ยที่นิมกําลังคิดอะไรอยู่ในใจอตัวผู้คิดเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าไอ้ตัวนี้เวลาตายแล้วมันพูดได้ไหมมันคิดได้ไหมน่าจะไม่ได้เออจะไม่ได้เนาะคนคนตายแล้วคิดไม่ได้เนาะเอ อ, องั้นแหะนิมยังไปเอาไว้ ไอ้ตัวเราที่คิดได้เป็นตัวเราอยู่ไอ้ตัวนี้มันก็เกิดเกิดดับดับตัวที่คิดได้มันก็เกิดเกิดดับดับมันคิดเสร็จแล้วมันก็ดับคิดไปดับคิดเสร็จแล้วก็ดับไปคิดเสร็จแล้วก็ดับไปคิดแล้วก็ดับไปอนี่ไม่เอาตัวร่างกายไปเป็นตัวเราแล้วแต่เนมยังเอาตัวที่ตัวเราที่คิดเนี่ยเป็นตัวเราจริงๆไม่เห็นว่าเป็นตัวสมมุติตัวที่มีความคิดตัวมันที่มีความรู้สึกอย่างไรภายในใจตอนนี้โกทุกข์นปัจจุบันนี่มันเป็นตัวสมมติไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง ไห้ปล่อยว่าความหลงตลงยึดเนี่ยปล่อยวางความหลงยึดอย่าไปหลงยึดว่าเป็นไอ้ตัวที่คิดจะเป็นตัวเราแค่นั้นเนี่ยคือมันมีปัญญากลับด้านแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเราไปต้องไปทิ้งอะไรหรอกแต่ปัญญาเข้าใจซะใหม่กลับด้านว่าไอ้ตัวที่กำลังคิดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราประชาก็ต้องตายแตกกลับไปมันเป็นขันห้าก็เดี๋ยวขันห้าเป็นร่างกายเป็นเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเป็นอาการเป็นอาการ เหการของจิตเหลืออาการของใจมันก็ดับหมดมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับพอตายแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ดับลง <S <S แล้วพ่อเวลาเราเป็นวิญญาณแล้วเราจะทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะเออมันก็ไปเหลือแต่เหลือแต่รู้ความจริงเหลือแต่ไ อ, แบบญญญอ้วิ ญ, ญญาณแท้ๆวิญญาณแท้ๆคือสิ้นยึดแล้ววิญญาณที่ตื้นยึดเรียกว่าวิญญาณแท้ๆสิ้นหลงแล้วมันก็จะเหลือแต่ความรู้จริงๆไม่ไม่หลงอะไรรู้ว่า เนี่ยร่างกายนี้ก็ไม่หลงแล้วไอ้ตัวที่ไอ้ตัวที่กําลังคิดอยู่เนี่ยมันก็ดับไปมันก็เลยแม้แต่ตอนที่นิมยังไว้จะแก่ความตายนิมก็เป็นความรู้เลยกลายไปเป็นเป็นความรู้ที่ไม่หลงยึดอะไรกลายไปเป็นอยู่กับรู้หรือไปเป็นความรู้ที่ไม่หลงยึดอะไรไม่ปไม่มาเป็นร่างกายนี้แล้วก็ไม่หลงไปเป็นในไอ้ตัวผู้คิดผู้มีอารมณ์ผู้มีความรู้สึกแต่เป็นตัวรู้ที่ไม่หลงว่า ไอตัวเนี้ยไอตัวร่างกายก็ไม่เที่ยงไอตัวจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงแต่ไอตัวรู้นั่นเนี่ยไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายเพราะว่าไอตัวรู้นั่นเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีมีความคิดมีอารมณ์แต่มันเป็นตัวรู้ว่าไอตัวเนี้ยไอตัวสมมุติคือตัวร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นอยู่ชั่วคราวมันเป็นตัวคิดตัวมีอารมณ์เป็นตัวสมมุติแต่ไอที่มารู้ว่าไอตัวเราเนี่ยเป็นตัวสมมติไอตัวนั้นน่ะเป็นตัวแท้จริงไอตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ยึดอะไรได้แต่รู้ มันไม่ยึดมันรู้ว่าร่างกายนี้รู้ว่าไอ้ร่างกายนี้มีความรู้สึกมีความคิดอารมณ์ไอ้ร่างกายที่มีร่างกายเราที่เป็นความรู้สึกมีคิดอารมณ์อันนี้เป็นของสมบุติดับหมดแต่อันที่มารู้ตัวเราตามความเป็นจริงว่าของสิ่งนี้มันเกิดดับเป็นของไม่เที่ยงไอ้นั่นน่ะไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายเป็นอมตะเป็นรู้หนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลหายตัวไปเป็นความกืนหายไปธรรมชาติจักรวาลแต่มีความรู้อยู่ไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายอันนั้นเรียกว่า เป็นอมตะไม่มีความทุกข์อะไรเลยเพราะไม่ยึดอะไรเลยแต่หนูจะเวลาหนูจะมาปรากฏมาปรากฏได้แล้วหายตัวไปได้คือเวลาหนูจะมาปรากฏปุ๊บไอ้รู้เนี่ยมันมีฤทธิ์มีอานาจมันก็นึกปุ๊บเหมือนเรียกว่าอธิษฐานจิตปุ๊บหนูจะจะมากดปรากฏอะไรให้ใครเห็นหนูก็สมุิมาไ ด, สาได้สมุติมาหาคนนั้นคนนี้ปุ๊บแล้วก็พูดเขาบอกเขาสอนเขาแล้วก็หายตัวแับไปเลยเอพอหายไปหายตัวไปเรียกว่า วิมุตคือหายแวบไปเลยหายตัวได้แล้วก็พอจะมาหาใครก็สมมติมาอสมมุติเป็นอะไรก็ได้เป็นรูปร่างอะไรก็สมมติแป๊บหม่ก็เห็นปุ๊บก็สอนเขาบอกว่าอ น, นี้มันไม่ดีนะอย่างงู้นอย่างนี้แล้วหนูก็พอสอนเสร็จก็หายตัวแวบไปไปเป็นอย่างนั้นเลยไปเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เป็นผู้รู้ที่มีฤทธิ์อย่างเป็นอมาตะแต่ไม่มีใครเอาจับเราไปลงโทษเอาไปยมพบาลไปพิพากษาไปลงโทษ พวกบาปกรรมอะไรก็ให้ผลไม่ได้เพราะมันหายตัวไปได้แต่คนทั้งหลายเนี่ยเขายังยึดอยู่ไอ้ตัวยึดเนี่ยมันเหมือนกาวมันเหมือนกาวเหนียวกาวกาวตาช้างอะเหนียวเหนียวอยู่มันยึดเนี่ยความยึดก็เรียกว่ากาวตาช้างมันเลยหายตัวไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวที่เองไปยึดไว้อมันติดไว้เลยมันเลยหายตัวไม่ได้พอพอสิ้นยึดปุ๊บไม่มายึดไอ้ร่างกายเนี้ยร่างกายตัวเราที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยดับไปเลยกลายไปเป็นเี่ย ไอ้ที่มารู้ตัวเราก็จะไม่ไม่หลงมาเป็นในไอ้ตัวเราที่มีความรู้สึกนึกิดอารมณ์รูกจะเข้าใจไหมลูกน่าจะพอได้แต่ยากมากถูกต้องเลยอันนี้ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันสูงละเอียดขั้นสูงสุดขึ้นมาเองละเอียดขั้นสูงสุดมามันเหมือนอย่างเงี้ยลูกเอ๊ ใจแท้ๆที่มันสิ้นความหลงสิ้นความโง่แล้วเนี่ยบินหรือเรียกวิญญาณใจจิตหรือจิตแท้ๆหรือใจแท้ๆหรือวิญญาณแท้ๆเนี่ยที่มันสิ้นความหลงสิ้นความโง่แล้วเนี่ยมันเหมือนงี้มันมันเหมือนเนี่ยเมื่อก่อนในลรงตาดูไอหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนเนี่ยลูกมันมีศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ตีเฟื้องหนังการ์ตูนที่เป็นศาสตราจารย์ตีเฟื่องก็ใส่หมวกเหมือนกับพวกที่เป็นศาสตราจารย์ใช่ไหมเขาก็ ผสมไม่สารเคมีสารตาจานนะการ์ตูนเนี่ยเขาก็เอาผสมเคมีนู่นผสมนี่เทใส่นี่เทใส่นี่เดือดปุดๆปุดๆุดๆุดๆปุดๆปๆผสมใหญ่เลยผสมเป็นศารตาจารย์สถ่เฟื่อเอแบบเป็นการ์ตูนนะเอผสมผสมเสร็จปุ๊บไปเกิดผสมคิดคนยาววิเศษได้แล้วก็ลองดื่มปุ๊บหายตัวปึ๊งไม่ได้เลยศารตาจานนั้นหายตัวได้เลยไม่มีคนมองเห็นแบบนั้นหรอกจิตแท้หรือวิญญาณแท้ๆเนี่ย ที่มันสิ้นความโง่สิ้นความหลงยึดแล้วเนี่ยหายตัวได้ในชีวิตตอนที่หนูมีชีวิตอยู่เนี่ยตัวตนก็ไม่มีตัวตนของจิตแท้ๆวิญญาณแท้ๆหรือใจแท้ๆไม่มีตัว ต, ต Europe, ว önem, this, นเลยมี mean, แต่ขันห้าคือไอ้ร่างกายเนี่ยที่มีความรู้สึกมนกิดอารมณ์แต่เราแท้ๆไม่มีตัวตนเลยหายตัวไปอยู่ในตัวเราเนี่ยกลายเป็นหายตัวได้อยู่ในตัวเรารอวันที่เราเนี่ยตายจริงๆคือร่างกายเนี่ยที่เป็นกายเนื้อแตกดับแล้วไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ดับไป แต่เราแท้ๆที่หายตัวได้ในตัวเราเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายเป็นอมตะเนี่ยแต่นี้แต่นี้พอสัสตราจารย์ติเฟื้องเนี่ยมันหายตัวได้ะพอสัสตราจารติเปื้องหายตัวได้ใช่ไหมมันก็เกิดความโลภว่าเฮ้ยไม่มีใครมองเห็นเราเลยเกิดความโลภมันกไ็ไปเลยไปรักของเขา้าไปรักของชาวบ้านไอ้ของชาวบ้านหายไปเรื่อยอยู่ตรงนี้ ไปรักของมีค่าคนไปเรื่อยของมีค่าก็าหายไปเอ๊ะมันเห็นของลอยไปได้แต่มันไม่เห็นตัวคนเอาไปเออเพราะไอ้ศาสตราจารย์ตี่ฟอร์มถ่ายตัวได้เขาก็เลยเอ๊ยแสดงสินค้าอันยมณนีหลอกขึ้นมาว่าเนี่ยแสดงเพชรแสดงงานเพชรโชว์เพชรสวยๆเนี่ยทีนี้ก็มีบางเรื่องก็มีแบบเป็นเอ๊ยเขาเอาสีแดงราดพื้นทั้งหมดเลยสีสีน้ำมนันเนี่ยราดพื้นไว้สีแล้วก็ปิดประตูไว้ อาจารย์ตีเฟื่อมันไม่มันไม่รู้ว่าเขาเข า, าเอาสีน้ำมาาันราดปืนไว้มันก็เดินย่ําเข้ามาเดินย่ําเข้ามาแล้วไปหยิบเพชรที่เขาเอาไว้กลางห้องไปหยิบเพชรเพราะมีใครรู้ตัวเนี่ยแล้วศาสตาจารย์ติเฟื่องที่หายตัวได้เขามันหายตัวได้แต่เขาไม่รู้ว่าเท้าขเขาเนี่ยมันเปนติดสีติดสีแดงที่เขาไปเหยียบมาเนี่ยมันไม่ออกสีแดงเนี่ยเวลาเวลาเขาเดินไปนะ สีแดงมันก็ยกขึ้น่มันก็เป็นรอยเท้าไอ้เป็นสีแดงที่ติดเท้ายกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงตันี้เดินไปไหนก็เห็นหมดแต่อาจารย์ติเฟื่องไม่รู้ว่าตัวเองอะไอ้สีมันติดเท้าอยู่ตอนนี้เขาไม่เห็นตัวก็จริงอะแต่เขาเห็นสีที่ติดเท้าคืออะไรก็ตามที่ที่สีมันติดอยู่หรือไปติดเขาอยู่ไปติดสีอยู่เนี่ยไอ้ตัวตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีแต่สิ่งที่ติดไม่หายไป เราแท้ๆที่สิ้นความโง่สิ้นความยึดแล้วเนี่ยลูกไม่มีตัวตนมันอยู่ในร่างเรานี่แน่ไม่มีตัวตนเป็นเหมือนหายตัวได้อยู่ในร่างกายของเราหายตัวได้แต่ถ้าไอ้ตัวที่หายตัวได้ไปยึดอะไรแม้แต่ตัวมันหายตัวได้แต่มันไปยึดอะไรไอ้สิ่งที่ยึดเลยติดเลยเหมือนตาหยาดติดติดเพื่อนที่เท้ามันติดสีให้ลูกนี่เวลาตายแล้วจะ น, นิรนิรนดร์โยบบาลว่าจับเอาไปได้แล้วเจ้าการเนียเป็นจับได้เลยเขาก็เลยรอตะคุบ นี่พอสีมันเดินเดเดไปเขาก็เลยจับหุ้มไว้เลยหุ้มครอบไปก่อนเลยขังไว้รอจะ ก, กว่ายาหมดอายุเลยโดนจับได้เลยบางทีบางเรื่องเขาใช้นั่นเขาใช้ไอ้ถังน้ำย า, าดับเพลิงไอ้อที่เป็นโฟมอะโฟมโฟมที่ดับไฟนั้นพ่นแล้วฟูแล้วเป็นสีขาวเป็นโฟมหมดเลยเนี่ยพอก็เห็นประตูเปิด เ, เข้ามาเขารู้แล้วว่าอันนี้เข้ามาแล้วสารจาเพื่อเงเนี่ย มันเปิดประตูแอดมาแต่มองไม่เห็นตัวแต่มีคนเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็เลยลุมเอาไว้เนี่ยลุมไอโฟมเนี่ยไอไอน้ำยาดับเพลิงที่มันดับดับไฟที่ไม้น้ํามันเป็นโฟมขาวเนี่ยฉีดปู๊ไปทั่วห้องเลยต้องไปหุ้มเลยเนี่ยหุ้มตัวไอส า, ารตีเฟื่องที่มันมันหายตัวได้ก็จริงแต่ภายนอกอโดนหุ้มหมดเลยเขาก็เลยตะคุบได้เลยจับจับตะคุบได้เลยเขาไม่เห็นตัวก็จริงแต่อัที่หุ้มเนี่ยมันมันหุ้มอยู่ เขาก็เลยจับจับตรงที่หุ้มเนี่ยคือไอ้โฟมที่เขาขาวเนี่ยที่หุ้มเนี่ยเขาเลยจับได้ดังนั้นเน่ะเวลาจิตเดิมแท้แท้เนี่ยมันไม่มีตัวตนวิญญาณแท้แท้หรือจิตแท้แท้ไม่มีตัวตนหรอกมันมันหายตัวได้อย่างัไงแต่เวลามันไปยึดอะไรเนี่ยสิ่งที่ยึดเนี่ยมาหุ้มเขาหมดเลยไม่ว่าเขายึดอะไรปุ๊บสิ่งที่มายึดเนี่ยสิ่งที่ยึดว่าจะมาหุ้มอยู่ในใจเขาหมดอ่าส่วนี้ที่เขาไปยึดเนี่ยตัวคนที่ยึดเนี่ยเขาไม่ได้มาหุม้มเวาเรายึดอะไรนะ ตัวคนที่เราไปยึดเนี่ยเขาไม่ได้มาหุ้มแต่พอเราไปยึดเขาเนี่ยสิ่งที่ยึดเนี่ยมันเลยมาหุ้มใจเราไว้แต่ตัวคนเนี่ยไม่ได้มาหุ้มใจเราลยได้เพราะมันเข้าไปในใจเราไม่ได้ผ่านตเข้าไปในตัวเราไม่ได้ตัวคนที่เราไปยึดเนี่ยมันผ่านตัวเราเข้าไปในเข้าไปในตัวเราไม่ได้แต่เราไปยึดอะไรเนี่ยสิ่งนั้นมาหุ้มใจเราไวได้หมดไหมมาหุ้มใจเอาไว้พ่าเราตายแล้วพวกเยาบาลหรือเจ้าการในเวรเลยเห็นได้เลยจับเอาไปเพราะว่าไอ้ที่หุ้มเนี่ยมันยังไม่แตก ถ้ามายึดอะไรปุ๊บมันก็ไม่มีหลายหุม้มหายตัวไปเหมือนกับพระโคติกาพระโคติกาสมัยพุทธกาลนะท่านหายตัวไปตายแล้วหายตัวไปเลยเพราะท่านสิ้นยึดแล้วจยมบาบาลมาหาหาจิตวิ ญ, ญญาณของพระโคติกะไม่เจอเอ๊จิตวิญญาณหายไปไหนของพระโคติกะจะเอาจิตวิญญาณไปของพุทิโคติกะไปแต่หาจิตวิญญาณพระโคติกะไม่เจอก็ไปถามพระเจ้าว่าจิตวิ ญ, ญญาณของพระโคติกะหายไปไหนพระเจ้าตรัสว่า พอกติกะสิ้นยึดแล้วไม่รู้อราหันต์แล้วจิตวิญ ญ, ญาณก็เลยเวลาตายแล้วจิตวิญ ญ, ญาณก็เลยหายตัวไปหายตัวไปดับไปเหมือนดับเปลวไฟที่สิ้นเชือ้อเหมือนดังเปลวไฟที่อยู่ต่อหน้าจุดเปลวไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าแล้วเป๋าดับพึ่มหายไปนั่นแหละหายตัวไปนี่เลยก็บาปกรรมทั้งหลายก็ให้ผลไม่ได้ยประบาลหรือนายเนียบาลที่จะมาเอามาเอาตัวไปลงโทษก็หาไม่เจอแล้วหายตัวไปได้เลย เข้าใจไหมเนี่ยอยากหลวงตาจะอธิบายยังไงรนาะอยากให้ดีมเข้าใจจะได้ช่วยหลวงตาอธิบายมั่งจะได้อธิบายให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้นั่งฟังเนี่ยช่วยหลวงตาอธิบายเขาเข้าใจได้แต่หนูพ็เข้าใจไม่รู้เนี่ยลองอธิบายให้ฟังดิมันยากไงแต่หนูพอเข้าใจไหมหนึ่งค่ะ ว่ายังไงอ่ะได้ได้ว่าคือเวลาเราตายไปมันก็สิ้นยึดแล้วก็เป็นความว่างเปล่าออืแต่เป็นความว่างเปล่าแต่ตอนยังไม่ตายแล้วหรอใจมันว่างเปล่า <c oughs> ใจหรือวิญญาณเน่ยวิญญาณรายการเป็นความว่างเปล่าตั้งแต่สที่ยึดอ <c oughs> แต่นี้ตอนนี้หนูเนี่ยไม่หนูเนี่ยใจของหนูใบสุดมากเลยหนูไม่ยึดอะไรเลยหนูได้แต่มีความรักอยู่แต่ไม่ยึดรับพ่อรับแม่รับพี่รักน้องแต่หนูไม่ยึด ตอนนี้ใจหนูดีมากเลยแล้วก็หนูไม่ไม่ยึดสังขารตัวเองแล้วก็เห็นว่าสังขารตัวเองไม่เที่ยงต่หนูยังไปยึดเอาไอ้ตัวที่หนูคิดได้เนี่ยไอ้ตัวผู้คิดเนี่ยเป็นตัวหนูแต่ถ้ามันเป็นวิญญาณแล้วมันมีแต่รู้ลงรู้ว่าตัวเรากําลังคิดแต่มันไม่ยึดไอ้ตัวที่คิดเป็นตัวเราแต่มันมันมารู้ตัวเรากําลังคิดยากไหมยากเหรอหรือไม่ยากไม่ยากนะปิง๊ง พุทธพุทปิ้งถึงใจพอตั้งเเดูเวลาพอพอบอกเขาว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยวมีควาแก่ความเจ็บความตายเขาเห็นจริงตามนั้นแล้วก็ใจก็ไม่ยึดติดแล้วมิทราวบอก แต่พูดจิตพูดสองครั้งใช้ตื่อใช้ตื่อไม่ระเบิดแสดงว่าตรงนี้ยากจริงเนาะขอการับหลวงตาก็เหตุปัจจัยเมื่อสักเดือนที่แล้วที่นิ่มมาส่งการบ้านหลวงตาที่ว่าเขาเจอลูกนกนอนตายอยู่แล้วเขาก็เก็มาฝังนะครับหลวงตาแล้วก็อยู่มาสักวันหนึ่ง เขาก็ไปขุดขึ้นมาครับหลวงตาเขาพิจารณาก็จะเป็นเหตุทําให้เขาเขาเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้อยู่อยู่จนถึงวันนี้นะครับหลวงตาครับเขาพิจารณาลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเรืยๆเรยๆนะครับเรื่องจิตอาจจะรอเหตุปัจจัยใหม่ครับหลวงตาต ด, ดีมากเลยอายุขนานี้เขาได้ถึงขนาดนี้ก็เก่งมากนะเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสรว่าเรื่องกายไม่เที่ยงเนี่ย เรื่องกายไม่เที่ยงน่ะพูดแล้วก็คนมีบุญวัสนาบารมีเนี่ยสามารถที่กระใจง่ายพอที่จะเห็นตามพระองค์ได้แต่เรื่องจิตไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราจิตไม่มีตัวตนจิตไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอันเนี้ยคนเห็นตามท่านยากผู้ใดเห็นตามท่านเห็นตามพระองค์อย่างนี้ได้แล้วปล่อยวางความหลงยุดมั่นถือมั่นได้จริงผู้นั้นกอบลูกนิพพานได้เลยแม้แต่เป็นคาราะเป็นเด็ก ผู้หญิงเนี่ยหนูนก็สามารถบรรลุอราันได้ที่อรหันเจ็ดขั้วในสมัยพุทธการนั่นหรอกเจ็ดขั้ก็บรรลุอรหันต์เลยตั้งใจให้ดีน ะ, นะหนูหนะหลองตาค่ะแล้วหนูจะคิดแบบนี้ได้ไหมคะเรามีหน้าที่ดูแรลร่างกายของเราเพราะว่าเขาเขาเขาช่วยเรามาตั้งหลายอย่างอืมอืใช่ใชมีแต่หน้าที่เฉยๆถูกต้องเหมือนกับหนูต่อเป็นหน้าที่ที่ดูแลลูกพ่อหรอแต่หนูไม่ยึดหน้าที่ร่างกายเราเราเราต้องดูแลเขาเพราะว่า เราจะต้องอาศัยร่างกายเนียทําทประโยชน์ทาประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นเราได้แต่ดูแลเขาแต่เราไม่ยึดเขาได้จิตเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะโลกเราอย่าเอาจิตไปคิดในทางที่เป็นบาปในทางนะโลกในทางที่ทาบาปกรรมนะอย่าไปคิดอย่าไปคิดอะไรในทางที่เบียดเบียนตนเองแล้วจะเบียดเบียนคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะ <Huh. S 1> นั่นแหละคือนอกจากจะดูแลกายแล้วต้องดูแลจิต ด, ด้วย แต่เราก็ไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือทางกายนะจิตเราเป็นแต่ดูแลเขาให้ดีเหมือนดุนูก็ต้องดูแลจิตไหมือนแดูแลกาย เ, ลยเพราะว่าเขาให้ประโยชน์เรามากเราต้องใช้เขาตัวกว่าจะตายจิตหนูก็ต้องดูแลเขาให้ดีหนูจะต้องไม่ไม่เอาอะไรมาคิดให้ปวดหัวไม่ได้เอาอะไรมาคิดให้จิตมันเสียใจนะลูกนะ <c oughs> นูอย่าเอาอะไรมาคิดเรื่องสิใดอย่าเอาคิดให้จิตมันเศร้าหมองมันลูกต้องดูแลมันได้ดีนะเออ เราจะเบียดเบียนจิตนะจะเบียดเบียนร่างกายเบียดเบียนร่างกายคือคนทั้งหลายเบียดเบียนร่างกายไปเอายาเสพติดไปเอาสุายาเสพติดมาๆๆมากินทําให้เบียดเบียนร่างกายไปทําความผิดศีลผิดธรรมทาให้ต้องไปถูกลับโทษในตารางถูกวิพากษาส์สาถูกประหารชีวิตทําให้ร่างกายต้องเสียหายอันนี้เรียกว่าไม่เมตตาตนเลย ทำให้ต้องเราไปไปกันแกล้งคนอื่นทํำร้ายคนอื่นเนี่ยก็ไม่มเมตตาคนอื่นติดทําให้ตัเงต้องติดคุกติดตารางอันนี้เรียกว่าทําให้ร่างกายเสียหายแล้วที่สุดก็เบียดเบียนจิตของตัวเงใหเสียหายหไปทุกข์ด้วยต้องดูแลร่างกายจิตใจของตัเองให้ดีถึงจะไปเบียดเบียนร่างกายจิตใจของตัวเองให้ไปทุกข์เดือดร้อนนะไม่ใช่ดูแลแต่กายอย่างเดียวต้องดูแลจิตให้ดีด้วยถึงจะพอสำคัญที่สุดคือจิตอย่าไปคิดอะไรเอามาทําให้จิตใจของตัเองต้องทุกข์เศร้าหมองนะลูกนะอันเนี้ยเรียกว่าดูแลจิตให้ดี ถ้าหนูดูแลทั้งกายและจิตแล้วหนูจะเป็นยอดคนเราดูแลเขาอย่างดีทั้งกายและจิตแต่ไม่ยึดเขาเหมือนหนูดูแลพ่อแม่หนูก็ดูแลพ่อแม่อย่างดีแต่หนูก็ไม่ได้ยึดพ่อแม่ดูแลพี่ดูแลพี่น้องหนูก็ดูแลเขายังดีแต่หนูก็ไม่ยึดเขาให้เป็นทุกข์ดูแลเขาอย่างดีแต่ไม่ยึดเขาให้เป็นทุกข์ดูแลร่างกายจิตใจอย่างดีแต่ไม่ยึดเขาให้เป็นทุกข์เข้าใจเนาะ